ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญานในวันนี้ก็คงมาพูดเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการออกบวชของประสาริบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมโดยบริวารในพระบาลีมหาวัชแห่งพระวินัยเล่า ว, ว่า พวกกุลบุตรชามคตมีชื่อเสียงภาคการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคประชาชนโลกภาการเพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าพระสมนาโกดมปฏิบัติเพื่อให้ชายไม่มีบุตรปัสมนากโกดมปฏิบัติเพื่อให้หญิงเป็นไม้ปัสมนาโกดมปฏิบัติเพื่อตัดสกุล บัดนี้พระสมณโคโดมได้ให้ชะดินพันรูปปวดแล้วให้ปริภาชคสิทธิ์ของท่านสัญชัยสองร้อยห้าสิบคนนี้บวชแล้วแลคุณระบุชาวมกุที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงปาการประพฤติพรหมจันทร์ในในพระสมณโคโดมอันหนึ่งประชาชนได้เห็นมิสูทั้งหลายแล้วได้กล่าวโจทย์้วยคาถาว่าดังนี้ก็มีประเด็นที่น่าทำความเข้าใจนะค มันมีหลักความจริงอย่างหนึ่งว่าคนเราในคุณจะทําทความดีอะไรก็ตามเนี่ยมันมีใครทุกคนก็ยอมรับเอาดีหรอกเพราะการเผยแผ่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปบีบบังคับใครให้มานับถือไม่ได้อ้อนวอนขอร้องหรือให้สินบาทค่าสินบนอะไรให้มานับถือแต่เรื่องเป็นเรื่องของความยินยอมพร้อมใจความสมัครใจของท่านเหล่านั้น แต่ว่าคนที่มาริษยาแต่ข้อที่อ้างอิงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดคือที่ก็ด่าในสามประเด็นนะฮะประเด็นแรกบอกว่าปฏิบัติให้ชายไม่มีบุตรคือกุลบุตรชาวกรุมราชชกึที่ออกบวชเนี่ยเราอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครบ้าง ก็จะเป็นชาวบ้านแต่ว่าคนที่เขา ย, ยกมาอ้างอิงที่มีชื่อเสียงเนี่ยคือพวกโบราณเจดินหนึ่งพันก็เป็นนักบวชเก่าเป็นชนดินมาเก่าถ้าเขาไม่มีลูกก็ไม่มีลูกไปแล้วนะฮะเราก็บวชไปแล้วปริภายชกก็เป็นนักบวชเก่าประพฤติพรหมอาจารย์แบบไม่มีครอบครัวเช่นเดียวกัน เพราะมันจึงไม่มีเหตุผลไม่มีน้ำหนักในการยกขึ้นมากล่าวอ้างเนี่ยหรือว่าเป็นจุดอ่อนนะฮะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในสังคมอารยันแต่ตั้งหลายคงนึกถึงเหตุการณ์ที่สัญชัยนะฮะสัญชัยลูกชายของอินทิราคารันทีที่ตกเฮลิคอปเตอร์ตกตายนะฮะเป็น การวางวินาศกรรมหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสันชัยเข้าไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ชิญชวนชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยคุมกําเนิดวางแผนครอบครัวคุมกําเนิดใครวางแผนครอบครัวใครครุมกําเนิดได้เนี่ยให้รางวัลวิทยุศาสตร์ดิจิตเตอร์หนึ่งเครื่องครอบครัวไหนที่ทําเนี่ย ทีนี้ครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยมันยากจนมันก็เกิดขบกันระหว่างความอยากได้วิทยุศารซิสเตอร์กับความเคารพนับถือในพระผู้เป็นเจ้าพราด้วยความเชื่อถือแบบพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทานองว่าให้เกิดมามากๆพระผู้เป็นเจ้าจะเลี้ยงเองฝันใครไป ไปวางแผนไปคุมกําเนิดก็แสดงว่าขัดคืนองคการของพระผู้เป็นเจ้าขัดคืนองการของสวรรค์แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถือว่าคนที่ตายแล้วไม่มีลูกชายคนที่ไม่มีลูกชายเนี่ยตายไปแล้วจะต้องตกนรกชื่อว่าปุตตะนะคุมนรกในชื่อว่าปุตตะคนลูกชายจยึงเรียกว่าบุตรหรือปุตตะ แปลว่าผู้ป้องกันพ่อจะขุมนรกมาความวาามาทาพ่อแม่ไม่ให้ต้องตกนรกเพราะว่ามีลูกชายไปทำทักษิณาโนภาทานอุทิศไปให้นั้นก็เป็นความปักใจขวังใจอยู่ลึกตั้งแต่โบราณนะก่อนสมัยพระพุทธเจ้าหลนสันชัยจะเป็นคนสมัยใหม่สันชัยนี้ไม่ใช่สันชัยนน้นนะฮะสันชัยยุคหลังสันชัยลูก ชายก็นางอินทิราคันทีพี่ชายราชิพคันทีนะฮะรู้สึกจะน้องชายนะน้องชายราชิพันทีแต่ว่าสนใจการเมืองผกฝ่ยการเมืองติดแม่พี่ชายนั้นไม่ค่อยสนใจทางการเมืองไปสมัครเป็นนักบินนะครับเครื่องบินแต่ในที่สุดก็ได้เป็นนาะยกรมตรีแล้วก็ถูกฆ่าตายพ้นการใช้ประเด็นที่ว่า ทำให้ผู้ชายไม่มีบุตรเนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเพราะว่ามันทำให้คนตกนรกตามความเชื่อถือของเาๆนะฮะแล้วก็เป็นการขัดขืนองค์การจากสวรรค์ที่ต้องการใน้มีลูกมากๆแต่พวกนี้ไปไม่มีลูกเรานึกดูถึงวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงคือก็ปฏิวัติความคิดน่นนะ ปฏิว่าความคิดเรื่องการมีคู่ครองในถือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับชาตินี้และชาตินาหน้าด้วยชาติหน้าถ้าไม่มีลูกตายไปตกนรกนะชาตินี้ก็จะไม่มีใครทำพิธีกรรมอุทิศเวลาตายไปแล้วแล้วก็ลูกยังเป็นอะไรอีกมากเป็นทายาทเป็นอะไรต่อนะไรโดยความเชื่อกลงยุคสมัยแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล ก็ที่จริงก็ตั้งแต่ศีลอุโบสถแล้วมาก็งเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่โดยเฉพาะนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมดอุบาสกบาศิกาดิรัษาศีลแปดศีลอุโบสถก็มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมดถึงหมายความมาเป็นการบริบัติที่ไม่ให้มีลูกด้วยกันนะนะมันคล้ยๆปฏิวัติความเชื่อในยุคสมัยตรงนั้น เป็นความเด็ดเดี่ยวเป็นความจริงที่รอคอยการพิสูจน์แล้วก็คนก็เห็นจริงตามนั้นนะในที่สุดก็ทำให้พระพุทธศาสนาก็สื่ต่อกันมาได้ประการต่อไปก็พระสมมาณัฐโคโดมปฏิบัติเพื่อ ห, หญิงเป็นไม่ให้หญิงเป็นไม่อย่างที่บอกเนะี่ยว่าผูกกุลบุตรชาวมคดที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเนี่ย เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีพัญญาแล้วหรือยังหรือยังไม่มีพัญญาหรือมีลูกแล้วหรือยังในเราไม่รู้หมดแต่ว่าที่รู้เนี่ยปุรานาชดินเนี่ยคงไม่มีลูกแน่นอนปริภาโชกก็คงไม่มีลูกแน่นอนก็เป็นนักบวชผนการทำผู้หญิงเป็นไม้ก็ได้ในร่วมผู้หญิงนะฮะนร่วมผู้หญิง ที่ทำให้ลูกคือขึ้นมาต่อต้านพระพระสงฆ์พระพุทธเจ้าแล้วประเด็นต่อไปก็คือว่าพระสมณโคโดมปฏิบัติเพื่อตัดสกุลคือการไม่มีการสืบต่อวงสกุลของบุคคลที่เรียกว่าประเวณีคือเชื้อสายนะฮะแต่ไม่มีการสืบต่อไปเสร็จแล้ว ก, ก็ยกตัวอย่างคนพันสองร้ยห้าสิบหรือพระหันพันสองร้อยห้าสิบรูปอย่างที่ว่าเนี่ย เกิดมาเป็นตัวอย่างวนคำที่เขากล่าวเนี่ยเขาบอกว่าพระสมณะเสด็จมาสู่พระนครข้อเขาคือกรุงราชครื้นะของชาวมคตแล้วทรงนำปริพาชกพวกสัญชัยทั้งปวงไปแล้วบัดนี้จะทรงนำใครไปอีกเล่านะก็ตั้งปัญหาถามวันก่อนไปบวชคนน้นวันวันต่อไปจะเอาใครไปบวชอีก เป็นเรื่องใหญ่นะปุกระดมนะเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้านี่โดนมีมอบต่อต้านแล้วไอ้มอบก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ ว, ลวก็ขี้เทสตนะะพวกมบเต็มอดอดเทสตไม่ได้หรอกคือเรื่องจริงในจะมีน้อยแต่ว่าพยายามที่นําบิดเบือนข้อมูลข่าวสารให้คนอื่นเห็นตามคอยตามพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดว่าภิกษุทั้งหลาย เสียงนั้นจะอยู่ไม่ได้นานหรอกจกอยู่ได้สักเจ็ดวันเท่านั้นพ้นเจดวันก็จะหายไปแล้วก็รับสั่งคือหลักการเวลาเขาด่าเนี่ยหลักการเวลาเขาด่าเนี่ยคือวางตัวไว้วางใจไว้สามประการหนึ่งไม่โกรธฮะตาอะไรก็ช้างช้างเขาก็ด่าไปเราไม่โกรธประการที่สองก็คือ พยายามชี้แจงตามความเป็นจริงถ้าเขาเข้าใจผิดเนี่ยก็ชี้แจงตามความเป็นจริงถ้าก็กล่าวถูกต้องนะฮะกล่าวถูกต้องก็จะยอมรับแล้วก็อนุทนาสาธุการเขาเพราะโดยเนื้อหาแก่นแท้ของความเป็นปรันตนาใจจริงๆเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ควรแก่การติเตียนนะฮ ะ, ระธธพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเนี่ยเป็นผู้ไม่ควรแก่การติเตียน พระสงฆ์สามัญชนนั้นก็ติเตียนก็ได้นะแต่ว่าพระสงฆ์ที่เป็นอริยนั้นเป็นผู้ไม่ควรติเตียนเพราะฉะนั้นถ้าเขากล่าวถูกแล้วก็ต้องกล่าวตามความเป็นจริงซึ่งก็อนุโมทนาเขาแต่ถ้าเราเขากล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแต่ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าไปใส่ร้ายจ้างคนดา่ะะาอะไรแต่ไรกล่าวหาเยอะนะฮะธรรมดานะฮะเรานึกดูว่ามันไปยุคสมัยที่ไม่มีหนังสือพิมพ์นะฮะแต่ว่าถ้ามีหนังสือพิมพ์มีโทรทัศน์มีวิทยุอย่างปัจจุบันเนี่ยคงน่าดูเหมือนกันนะเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยกว่าจะแก้ตกเนี่ ย, ยธรรมดาเพราะว่าพวกนี้ก็ขยายข่าวไปเร็วนะฮะ อันนั้นมันข่าวมันจำกัดมันขีดวงไว้ในที่แคบๆการแก้ปัญหาจึงแก้ได้ไม่ยากประเด็นที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือประเด็นชี้แจงเราเห็นว่าใครเป็นคนออกไปชี้แจงตรงนั้นมีพระหันล้วนเลยนะไม่มีพระปุถุชนอยู่เลยคนพระที่ออกไปชี้แจงก็คือพระอาหารหันต์พันสองร้ยหสิบรูป อดีตปุราณในฉดินกับอดีตปริภาชกเอาไปชี้แจงนั้นแสดงว่ามีจารีตอย่างหนึ่งในหลักพระศาสนาเนี่ยคือบางทีเราเราเ ล, อเลือนไปเราไปใช้กระแสสังคมกระแสความนิยมก ล, ยกลายกายกับพระพูดอะไรไม่ได้ชี้แจงอะไรไม่ได้โต้อตอบอะไรไม่ได้เลยไม่จริงนะฮะเวลา ก, การจริงๆแล้วเนี่ยสามารถชี้แจงสามารถโต้อตอบสามารถอธิบายได้ มันไม่ใช่เป็นคนบ้านะฮะเป็นการอ น, นุเคราะห์ต่อคนผู้ไม่หวังดีทั้งหลายเพรา ะ, ะไรเพราะว่าการที่เขาพูดเช่นนั้นแสดงว่าเขาพูดไม่จริงเป็นการโกหกแจะเป็นบาปนะะใส่ร้ายพระริยเจ้าเนี่ยใส่ร้ายพระตนตรัยนี่เป็นบาปเทิดาอารยุปว่านะเป็นบาปที่ค่อนข้างหนัก าการชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นการกระทำโดยความอนุเคราะห์ต่อเขาเพราะละการคือหนึ่งเราไม่โกรธสองกล่าวถูกต้องกันมัวทนาสามกล่าวไม่ถูกต้องก็ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจข้อที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเป็นคําก็ปัทัดเท่ากันนะข้อความเกือบจะเท่าอักตรนกันเลยคำไปรับสั่งว่า เมื่อเขากล่าวว่าพระมหาสมณะเสด็จมาสู่นครข้อเขาของชาวมรดแล้วและทรงนำปริพาชคพวกสันชัยทั้งปวงไปแล้วบัดนี้จะทรงนำใครไปอีกเล่านะหะาแต่นี่คือคำที่เขากล่าวพุะเจ้าราบสั่งว่าผู้เธอจงกล่าวโต้อตอบต่อชนเหล่านั้นด้วยคาถาดังนี้ว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้แก้วกล้ามากย่อมทรงนำชนทั้งหลายไปด้วยพระัธรรม เมื่อชนทั้งหลายอันพระองค์ทรงนำไปอยู่โดยธรรมผู้เข้าใจอย่างนี้ยริษยาทําไมมันเป็นการทําเพื่อประโยชน์แก่คนเหล่านั้นมันไม่ใช่ทาประโยชน์เพื่อพระองค์เองพรองค์เองนั้นเสร็จประโยชน์ที่ควรจะทําตั้งนานแล้วตอนนี้มันเป็นการทําประโยชน์แก่เขาแล้วก็นําไปด้วยสัตยธรรมคือการศึกษาการปฏิบัติ นะการสัมผัสผลจากพระสัตธรรมเรียกปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะะปริยัติก็คือการศึกษาเรียนรู้้เกิดความเข้าใจปฏิบัติก็คือนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติปฏิเวทก็คือได้รับผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นพระยาบุคคลในชั้นต่างๆ ต, ตามแต่กําลังความสามารถของแต่ละท่านจะกระทำได้ เรืองการกล่าวนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าคนมริษยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคณาจารย์เจ้าลัที่ในกรุงราชชุกยนี่ยครูทั้งหกในอยู่ที่ราชชุกทั้งนั้นอยู่อยู่ที่มรโคทั้งนั้นสมัยนั้นก็รเรียกว่าอยู่กันครบพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นศาสตราณนนุ่มเกิด ข, ขึ้นมาท่ามกลางคณาจารย์เจ้าลัที่ที่แก่กว่าพระองค์ คนที่หนุ่มที่สุดอย่างมาวิระเนี่ยวัธมาเนี่ยก็แก่กว่าหกปัญซาแต่แดงพระเจ้าหนุ่มกับใครทั้งหมดแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเป็นเอกก็ทำให้คนริศยาริศยามันก็หาเรื่องอด่านะฮะทีนี้อาการด่านี่ถ้ามันไม่สมเหตุสมผลแล้วน้ำหนักมันจะเบา เนคนที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ดา่าเพราะดา่าบางทีมันเพืเอ่อเจอนะฮะบางทีมันูชาวาสบางทีมันเพเื่อเจอญบางทีเป็นคําหยาบคําด่าจะเป็นคําไม่ได้เรื่องอะไรเป็นคําเหลวไหลไร้สาระแต่ว่าแรงริษยาเนี่ยมันทําให้คนไม่สามารถจะควบคุมความรู้สึกตรงนี้ได้มันเหมือนกับสัญชาตญาณดิบ ของสัตว์โลกเวลาคนประสบความพิบัติเดือดร้อนเนี่ยมันจะมีคนจำนวนมากที่รู้สึกสะใจต้องการซ้ำเติมเขาเรียกว่ามีวิหิงสาคือคิดเบียดเบียนนี่ก็มีลักษณะอย่างหนึ่งที่แก้ไขค่อนข้างยากนะฮะแก้ไขค่อนข้างยากในสังคมมนุษย์เรา ทีนี้พอขึ้นอื่นดีเด่นดังขึ้นมาเป็นที่ยกย่องนับถือของบุคคลทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยคนมันอดริษยาไม่ได้พฤตากรรทั้งหมดเป็นอาการที่เห็นชัดเจนว่าคําด่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยบกพร่องแล้วก็ไม่รู้คุณต้องการให้เขาทาอะไรในเมื่อประศัทธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งเหนือกว่าสมบัติทั้งปวงเนี่ยนะ เขาได้มันน่าจะอนุโมทนาเขาเขาออกบวชเขาศึกษาปฏิบัติจนได้บรรลมุมรรคผลนี่มันน่าจะอนุโมทนาแต่อันโมมดแต่อโนโมทนาไม่ได้เพราะแรงริษยามันไปบีบคั้นจิตใจเอาไว้นี่ก็เป็นแบบจางหนึ่งที่โลกมนุษย์เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็เป็นอย่างนี้เห็นคนอื่นได้ดีเด่นดังขึ้นมาแล้วก็ทนดูไม่ได้ ก็ประชาชนทั้งหลายได้เห็นพิกูุนแล้วก็กล่าวคาถาดังที่กล่าวไว้นะฮะว่าประมาสมาณาเสดมาสู่นครคอกเขาของข่าวมรคแล้วได้ทรงนำบริพาชคพวกสัญชัยทั้งปวงไปแล้ววันนี้จะทรงนำใครไปอีกเล่าเราเจ็นว่าที่จริงนำก็ไม่ใช่ทั้งปวงนะฮะก็ลูกศิษย์ก็กลับไปทั้งสองยหสิ ก็มาสองเพรยห้าสิบแสดงว่าอย่างมากก็เอามาครึ่งหนึ่งก็ไม่เอาทั้งปวงแต่เวลาพูดนี่มันพูดแต่มันหนักขึ้นมาก็ใช้กลับมาทั้งปวงลงไปจะเห็นว่าเหตุการณ์นี่รุนแรงมากอันตรายมากเสียงมากมีปัญหามากนั่นคือแบบฉบับของการการลุกระดมมวนชนทั้งหลาย คือถ้าเราไปอัดเทปอะไรเวลาฟังเขาอภิปรายโจมตีแบบปุกระดมทั้งหลายเนี่ยนะคือมันสลุดหัวนะเะเอมนุษย์เราเนี่ยทำไมมันฮารุโกันอย่างนี้รุนแรงกันอย่างนี้ทำไมจึงดูเดือดเลือดพ่านกันอย่างนั้นเรื่องมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพูดกันจนแรงจนคล้ายๆกับเกิดวิกฤตเกิดอันตรายควาดินจะถลม่มทลายลงมาอะไรทำเลานั้น เหมืนเมื่อคนทั้งหลายพูดกันแพร่หลายเนะี่ยการตอบพระก็ต้องออกไปตอบข้างนอกไม่เท่ากันนอกคนก็ไม่ได้ยินนะนะก็แสดงว่ามันมันเรานึ้นึกภาพจิตน า, นาการนะี่ยนะจิตน า, นาการเราคนจับกลุ่มมาเป็นกลุ่มย่อยๆนะะกลุ่มย่อยๆเพราะยังปลุกม็อบยังไม่ขึ้นดีนะพระสงฆ์ท่านก็ตรงไปชี้แจงในจุดตรงนั้นพู้นั้นขับเป็นคาถามาก็มีคาถาขับตอบ ท่องมาเป็นคำกรอนเป็นบทอักขยานหนะ้าเป็นบทอักขยานเพราะว่าไอเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เราเข้าไม่ถึงส่วนใหญ่เราเข้าไม่ถึงว่าเนื้อหาสาระจริงๆคืออะไรไม่รู้เพราะฉนั้นวิธีดีที่สุดก็คือท่องอักขยานนะเอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปไม่รู้หมายความยังไงทาไมจะต้องคืนไปมันมีเหตุผลอะไรไหมแต่ว่าไปอธิบายไม่ได้ อธิบายไม่ได้มันไม่มีเหตุผลพอจะอธิบายเพราะงั้นมันจะมีคำซ้ำๆในการปลุกระดมเนี่ยแล้วก็มีคนชี้นำอยู่ไม่กี่คนเนี่ยคนเราอื่นก็ถูกล้างสมองให้ว่าตามไปเรื่อยๆเพแนวสร้างมาเป็นบทอคยานท่องกันโดยไม่ต้องคิดมนันนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราไปวิเคราะห์แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อที่เขายกมายกมาด่าเนี่ยมันไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่ว่าคนเวลาถูกยั่วถูกยุให้โกรธแล้วนี่นะมันเหตุผลมันไม่มีมันตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่โกรธแล้วเหตุผลมันไม่มีเพราะงั้นแกก็ไปว่ากองแกไปทุกคนทุกแห่ ง, งนะพระก็ต้องตาไปชี้แจงทุกแห่งทุกแห่งภาพกา ร, ราประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นความลําบากมากมีปัญหาสารพัดขาดขวางาลองสังเกตว่าตั้งแต่นอนจะโปรดปัญญวคีจะตรัสรู้พยามานก็มาพจนสู้กับพยามานกับเคี่ยวกันว่าจะสัตรู้ได้เมื่อโปรดปัญญวคีก็กระด้างกระเดืองพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยยอมรับนับถือ ไปจะโปรดพวกโบราณชาดินก็ไปกันใหญ่ถือตัวเองเป็นพรหาหัน์มีความสาคัญไม่ยอมที่จะอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้านี่เป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นว่าบุรพศาจาร์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยโบราณมานะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์พระพุทธเจ้ามาเนี่ยนำพระศาสนามานั้นด้วยความลําบากหรือความยุ่งยากลําบากมากๆ แต่ว่าเรานี่ที่จริงเราก็รับในตอนปลายนะสบายๆไม่ค่อยไปปะทะอะไรกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ค่อยเอาไปชี้แจงไม่ค่อยเอาไปอาธาิบายทำความเข้าใจอะไรกับใครเพราะอะไรเพราะว่าเราสเสวยผลเราอยู่ในยุคของการสเสวยผลมันเหมือนกับคนรุ่นพ่อแม่รุ่นรุ่นปุยญาตายายอะไรทำงานหนักมาก พอ ม, มาถึงรุ่นหลานเป็นเศรษฐีนะฮะเป็นลูกของเศรษฐีหรือไม่เห็นตอนปู่ทา ง, งานหนักครับแต่เห็นตอนพ่อเป็นเศรษฐีครับตัวเองเกิดมาก็เป็นลูกเศรษฐีเลยก็ลืมไม่ได้คิดที่จะสืบต่อวงสกุลให้มีความแข็งแรงมั่นคงขึ้นแบบประการใดวันพระเหล่านั้นท่าน ก็กราวโต้ตอบต่อประชาชนพวกนั้นด้วยคาถาว่าพระตถาคดทั้งหลายผู้แก้วกล้ามากจอมทรงนำชนทั้งหลายไปด้วยประสัทธธรรมเมื่อชนทั้งหลายอันพระองค์ทรงนำไปอยู่โดยธรรมผู้เข้าใจอย่างนี้จะริษยาทำไมประชาชนกล่าวอย่างนี้ว่าได้ยินว่าปะสมณนาเชื่อสายสกยบุตรทรงนำคนทั้งหลายไปโดยธรรมไม่ทรงนำไปโดยอาธรรม เสียงนั้นเลยก็เงียบหายไปเพียงเจ็ดวันเท่านั้นพ้นเจ็ดวันก็หายไปเลยนี่เป็นปกตินะเหตุการณ์แรงๆอะไรที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นเองเืินเจ็ดวันไปไม่ได้ล่ะคลื่นมันกระทบฝังหายไปเลยนี้ก็เป็นอนุภาพพิเศษของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งต้องฟังทั้งหลาย ใต้รมพระโพธิญาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี